ตั้งเข้าไปในที่หัวใจก็คือดวงจิตของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยเปรียบเสมือนรับภายในหัวใจของเราเนี่ยก็คือทรับภายในกายเนี่ยเรียกว่าซั์ภายนอกค่อยๆนึกตามไปเมื่อเราเกิดมาเนี่ย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 โตขึ้นเรื่อยๆนะพอเด็กก็รู้สึกชินว่าขนะหิวเนี่ยก็ทุ่นลนทุ่ลายตัวกระดินกระเด้ากระเด้ไปเราก็อ้าปากร้องพอร้องปุ๊บเนี่ยแม่ก็รู้เลยว่าลูกหิวแล้วก็อันนมยักปากพออิ่มแล้วก็ให้พ่อเฝ้านะหัดให้เรียก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 มองเห็นตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมองเห็นตัวเองเนี่ยค่อยๆเติบโตเป็นรูปร่างนะพอแม่ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างก็ตั้งชื่อตั้งเสียงสมมติชื่อให้ในขณะที่ลูกโตเนี่ยเมื่อเราโตขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้าตัวเอง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 แต่พอพ่อแม่ทํากับข้าวหาทรัพสมบัติมาเราเนี่ยอยากจะแย่งอยากจะเอามาเป็นของตัวเองเรียกว่าเกียดติตัวกินไข่เกียดปลไหลกินน้ำจิตเราเนี่ยค่อยค่อ ย, อยห่างตัวไปเรื่อยๆรืเมื่อจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่าสติไม่มีสติแล้ว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 ลองค่อยๆนึกตามที่หลวงพ่อพูดไปนักปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกมันไม่ใช่เป็นอริยรัพย์มันไม่ได้เป็นทรัพย์ภายในที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่มันซึมทรัพบเขาอยู่ในดวงจิตใต้สํานึกของเราอย่างแท้จริงจึงต้องมาฝึกแต่เรามาฝึกเนี่ยเอะอะมามองของนอกกายมองเห็นบ้านรถ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 แล้วรั์ภายนอกเนี่ยไกลหูไกลตาไม่พอปรุงแต่งนึกดลบันดาลไหวกาบสารพัดขอสารเพเนะแต่ไอสิ่งที่อยู่กับตัวเองที่แน่ๆนเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ายึดและไม่มีสติเลยแต่หากเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทรั์ภายนอกเนี่ย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 เราจะต้องพัดพลากจากของที่รักนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหานักปฏิบัติปฏิบัติจนไม่รู้ว่าทัพภายนอกเนี่ยที่เราซับพอร์ตเข้ามาในจิตในหูในตาเนี่ยเข้ามาในใจของเราเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่เรื่องเลย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 แล้วเคยมองเห็นเคยได้คิดตามที่หลวงพ่อบอกไหมว่ากายใจของเราเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่กับตัวนะไม่รู้จากพ่อจากแม่เลยพอรู้ว่าหิวมันก็ร้องพอรู้ร้อนรู้หนาวก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ร้องตะบี้ตะบันเด็กพ่อแม่ก็ห่มผ้านุ่งผ้าให้จนรู้ว่าผ้าชิ้นนี้หมอนชิ้นนี้มันชื่ออะไร แล้วก็ให้เรียกชื่อว่าพ่อและให้เรียกชื่อให้จำให้ได้ว่าแม่จำเล็กๆในน้อยก่อนพ่อกับแมนะ่อาบน้ำทานข้าวนอนหิวลองแต่พอโตแล้วความต้องการของเราเนี่ยไม่ต้องร้องเลยไม่ต้องหิวเลยค่อยหาความรู้สึกสมมติตามมองหูได้ยินเอามาใส่ใจเลย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 เราได้ซึมซับคุณงามความดีที่พึงกระทำเนี่ยมันอยู่อยู่ใต้สำนึกของท่านบ้างหรือเปล่าท่านนึกถึงตัวเองบ้างหรือเปล่าทำความดีก็อยากจะเป่าประกาศให้คนรู้ว่าเราดีเดี๋ยวเราจะได้รู้จักถึงซับภายในเราไปเอาภายในเนี่ยไปซัพพอร์ตความชั่วของข้างนอกเอามาเก็บทางในแต่เอาทางในเนี่ยเอาไปให้คนอื่นหมด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 ให้เห็นตัวอันินจังตัวเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็เห็นแต่ถ้าเราไม่รู้เหตุรู้ผลยังไม่ทันเห็นเลยได้ยินก็เชื่อซะแล้วนะเอาระวันนี้นะซิฟเซิซพอเรียกน้ำย่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเราจะได้ดูว่าซับภายในนี่ซับภายนอกยังแค่ขี้เล็บนะยังแคะเล็บมนิดเดียวเองนะ ท่านเนี่เสพเสพซับซึมซับเนี่ยอะไรมาจากภายนอกบ้างและเอามาสมที่กระบาลนะโกนหัวแล้วยังหนักอีกแมจีเน่ยยังเห็นขยับกันยุกยิกยุกยิกคงหนักมากคงมันทุกข์กุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเยอะ ก็เลยเป็นทุกข์ต่อสังขารถ อ, อนสมาธิโอ้โหขังมากค่อยๆถ อ, อนสมาธิไอ้ถ อ, อนสมาธิ